21ออาชีพนี้เป็นนางแบบนะเธอก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองดีนะออกก่ลังกายกินมังสวิรัตแล้วก็ดูจะมีอนาคตนะเป็นนางแบบแต่แล้วเนี่ยวันหนึ่งนะในชีวิตที่ดูเหมือนราบรื่นมันก็พลิกผันเพราะว่าเจ็บป่วย ด้วยจะเรียกว่าโรคร้ายทีเดียวก็ไม่เชิงนะแต่ว่าอาการก็หนักมากหัวใจหยุดเต้นไป3มครั้งมีช่วงหนึ่งก็โคม่าแต่ยังต้องตัดขาทั้งสองข้างทิ้งแล้วก็หัวใจนี้ก็อ่อนแอเรียกว่าไม่สมประกอบก็ได้เรียกว่าเจียด ต, ตายมาหลายครั้งแล้วก็ เรไม่รู้เลยนะว่าการรักษาที่เธอได้รับเนี่ยถึงขั้นผ่าตัดหัวใจเนี่ยมันจะทำให้เธอมีสุขภาพดีไปยืนยาวแค่ไหนแต่เธอกลับบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งนะในโลกนี้เพราะว่าฉันยังมีอนาคตนะ ยังสามารถใช้ชีวิตไปข้างหน้าได้สามารถที่จะมีลูกแลวสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปรารถนาแล้วก่อนที่เธอจะพูดแบบนี้ได้นี่ก็เรียกว่าผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายเรอไล่หลายอย่างอย่างที่ว่านี่ก็เฉียดตายไปหลายครั้งหมอเนี่ยที่ดูแลเธอนี่ก็เรียกว่าทึงมากนะที่ั้งที่เจออะไรต่ออะไรมากมายนี่แต่ว่าตอลอดเวลาก็ยัง ยิ้มได้ใจสู้นะไม่มีอาการท้อท้อสิ้นหวังหรือว่ากลดาชตากรรมนาะที่ยังต้องมาเจออะไรได้ร้ายแบบนี้คือเดิมทีเนี่ยเธอก็มีปัญหาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะหัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจเนี่ยปกติจะมีสามส่วนของเธอมีสองส่วนที่ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักตั้งแต่เล็กนี่ก็ จะใช้แรงเช่นออกกําลังกายวิ่งนี่ก็ลําบากแต่ก็ประคองตัวมาได้จนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าติดเชื้อโควิดท่านทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วไอโควิดที่มันไปทำอะไรกับร่างกายเธอหลายอย่างรวมทั้งหัวใจด้วยหัวใจที่ยังอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยพอเจอโรคโควิดเข้าก็มหมดสภาพไปเลย เป็นลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวต้องพาส่งโรงพยาบาลในระหว่างนั้นก็หวัวใจหยุดเต้นลง3ามครั้งนะปั๊มขึ้นมาแล้วก็หยุดเต้นอีกนะปั๊มขึ้นมาอีกก็หยุดเต้นอีกจนทั้งปั๊มหยุดเต้นไป3ครั้งสุดท้ายก็หวัวใจก็เริ่มกลับมาทํางานได้แต่อ่อนแอมากก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตหลายอย่างนะเช่นเครื่อง ฟอกไตเครื่องช่วยหายใจเพราะว่ารังพอหัวใจนี่มันทำงานได้ไม่เต็มที่เพร า, าใจทํางานไม่ไเต็มที่ทั้งที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้มากมายปรากว่าร่างกายมันก็เริ่มอวัยวะก็เริ่มชัดดาไปทีละส่วนทีละส่วนขณะที่อวัยวะที่ส่วนที่อยู่ส่วนปลา ย, ลายเนี่ยเช่นเท้าเนี่ยนะ เลือดมันก็ไปเลี้ยงไม่ถึงนะเพราะว่าหัวใจไม่มีกำลังสุดท้ายเนี่ยเซลตามปลายขามก็เริ่มตายทีแรกหมอก็ตัดข้อขาทิ้งแต่ว่าตัดแล้วมันก็ยังไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นนะเพราะว่า ท่อนขานี่ก็เริ่มจะตายที่สุก็ต้องตัดขาทั้งสองข้างคนซึ่งเป็นนางแบบคนที่งชอบออกกัลังกายหรือแม้จะไม่หนักหรือแมาแต่เป็นคนธรรมดาเนี่ยจะว่าแต่เป็นสาวเลยนะคนวัยกลางคนเนี่ยหรือแม่แต่คนชารา ถ้าตื่นมาแล้วพบว่าขาสองข้างมันหายไปเนี่ยก็มันทำใจยากนะแต่พี่หมอนี่ถือชื่อแคลี้พอรู้ว่าขาทั้งสองข้างหายไปนี่ไม่ได้ตกใจไม่ได้เศร้าโศกนะกลับบอกว่าเนี่ยขอบคุณหน้าที่ช่วยรักษาชีวิตฉันเอาไว้ขอบคุณหมอเรียงถามวาเนี่ยแล้วฉันจะ ใช้ขาเทียมได้ไหมเนี่ยทั้งพ่อแม่ของเธอเพื่อนเพื่อนหรือแม้แต่หมอเองก็ประหลาดใจนะเพราะว่าคนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าขาหายทั้งสองข้างเนี่ยแทบจะ้อยท้องรอยเนี่ยก็จะเสียอกเสียใจมันเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่สําคัญในชีวิตหรือว่าตัวตนส่วนหนึ่งหายไปยิ่งคนที่เป็นนางแบบด้วยแล้วเนี่ ย, ยโอ้มันยิ่งหวงแหนในขางตัวมาก อันเดอคลนี่เขาทำใจได้ดีมากนะสามารถที่จะรับมือกับการสูญขาทั้งสองข้างได้โดยไม่เสียโเสียใจหรือครับแคลนก็ไปพ่มองบวกก็ได้นะมองบวกคือมองว่าอะไรคือสิ่งที่ยังเหลืออยู่มองบวกคือมองสิ่งที่มีอยู่ไม่สนใจสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่หายไป นี่ือคือลักษณะการมองบวกอย่างหนึ่งนะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีนะไม่สนใจกับสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่สูญหายไปพอ ร, รั่วยังมีชีวิตอยู่นะก็ขอบอกขอใจหมอที่ช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ได้นะแต่ว่าก็ยังไม่หมดปัญหานะเพราะว่าไอ้หัวใจที่ยังอ่อนแอแล้วก็เอาไว้ต่างที่ แย่ yeah, เนี่ยมันก็ค่อยๆส่งผลมาทีละอย่าง2 อ, อย่างวันนี้คืนนี้ก็พบว่าลำไส้เนี่ยเกิดฉีกขาดลำไส้เล็กฉีกขาดเลือด ก, ก็ไหลเลือดตกในเน่ยพูดง่ายหวัวร่างกายสุดทันทีเลยเพราะว่าต้องมีการให้เลือดอย่างปัจจุบันทันตัวแล้วต้องให้เลือดให้เร็วแบบเร็วบ้ากคือต้องใช้เครื่องปั๊มเลยนะ ซึ่งมันก็เสี่ยงกับการที่หัวใจจะล้มเหลวแต่ว่าก็รอดมาได้นะรอดมาได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าใจเธอสู้ด้วยนะคือมีความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตไม่ว่ามันจะทุกข์มันจะยากยังไงก็มีความหวังว่าฉันไหวฉันไหวก็ปรากฏว่าสามารถที่จะให้เลือดนะแล้วก็ทำให้มี มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้แต่ก็มีปัญหาตามมานะก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันเกิดแปรปรวนเวลาให้อาหารเนี่ยแม้แต่ให้ทางสายยาเนี่ยร่างกายมันไม่ไม่ยอมตอบรับนะมันไม่ตอบรับสารอาหารที่ให้เข้าไปก็ทำให้เกิดอาการขาดอาหารขึ้น ขาดอาหารร่างกายผ่ายผอมน้ําหนักลดไปนี่เกือบเรียกว่า30มกิโลได้หัวใจที่มันอ่อนอายอยู่แล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่สุดท้ายผมก็ร่วงนะผมร่วงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสารเคมีอะไรนะัมันร่วงเพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารมากก็ต้องช่วยกันปลูกปั้มกันนะจงกันทั่งร่างกายนี้ก็พอจะ ค่อยๆรับสารอาหารได้ทีละนิดทีละนิดแต่ก็ยังพร้อมอยู่สุดท้ายเนี่ยนะร่างกายก็ค่อยๆเรื่องฟื้นคืนตัวขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้เวลา น, านานมากแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้อาศัยหมอไม่ได้อาศัยยายอย่างเดียวนะเจ้าตัวนี้ก็ต้องมีกำลังใจด้วยนะไม่มีความไม่ปล่อยให้ความกลัว หรือปล่อยให้ความเครียดเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจเพราะว่าคืนเป็นอย่างนั้นเนี่ยอวัยวที่บอบบางอยู่แล้วก็จะแย่การรักษาที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นการรักษาในยามวิกฤตเนี่ยมันก็จะได้ผลช้าหรือไม่ได้ผลเลยแต่ก็บอกว่าร่างกายเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกท่งมันก็เริ่มกลับมาทำงานได้ปกติแต่ว่าปัญหาที่สมคัญก็ยังมีอยู่นะคือหัวใจที่มีลิ้นที่ไม่ครบและทางเดียวที่จะทำได้คือต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจอาการปีเรือหัวใจเนี่ยหมอบอกว่านี่มันต้องเอาลิ้นหัวใจอีกของหลอดเลือดอีกหลอดเลือดหนึ่งนะเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงปอดเนี่ย เอาหลอดเลือดนะที่พาเลือดไปเลี้ยงปอเนี่ยเอามาใส่แทนเอามาใส่แทนหลอดเลือดเอามาใส่แทนลิ้นหัวใจนะที่มันเป็นหลอดเลือดแดงซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายนะเพราะมันไม่มีใครมีไม่กี่คนที่ทำได้นะ เอาลินหัวใจจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอดเนี่ยมาใส่แทนลินหัวใจของหลอดเลือดแดงแล้วก็ไปเอาลินหัวใจของคนที่ตายแล้วเนี่ยมาใส่แทนลินหัวใจของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอดมันมีหมอไม่กี่คนที่ทำได้นะแต่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด หมอบอกว่าเนี่ย ส, ส, สภาพสังขารร่างกายเธอแบบนี้เนี่ยมันผาไม่ได้หรอกพร้อมนะต้องให้ต้องฟื้นฟูร่างกายบอกว่าแคลนี่นะแกยอมที่จะทุ่มเท น, นะเพื่อให้ร่างกายมันดีขึ้นออกกรลังกายเพื่อให้หัวใจเนี่ย มันทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่ไม่มีขา2ข้างมีแต่ขาเทียมนี่นะแค่เดินเหินก็ลำบากอยู่แล้วนี่แต่ว่าเธอพยายามออกกาลังกายาเธอชอบปีนเขานะก็ออกกาลังกายด้วยการปีนเขานะี่ด้วยขาที่ที่เป็นขาเทียมเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมนะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมัน กลับมาแข็งแรงและทำให้มีน้ำหนักนะกลับมาเหมือนเดิมใช้เวลาไม่กี่เดือนนะไอ้น้ำหนักที่หายไป30กว่ากิโลนี่ก็กลับมาซึ่งทารทำวีด้มันต้องมีวินัยมาทั้งวินยัยทั้งในการกินวินัยในการออกกำลังกายนะเหนื่อยแค่ไหนก็ทำเพื่ออะไรนะเพื่อได้สามารถจะผ่าหัวใจได้่าเอาเปลี่ยนลินหัวใจได้ สุดท้ายนี่ก็ร่างกายก็พร้อมนะสำหรับ ก, การผ่าลิ้นหวัวใจแล้วก็ผ่าได้สำเร็จซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันต้องอไอ้การผ่าหวัวใจเนี่ยในในกรณีที่มันค่อนข้างเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมันต้องต้องมีกำลังใจต้องมีความหวังใจสู้ ก็บอกว่าผ่าได้สำเร็จนะแต่ก็ยังต้องประคับประคองกันต่อไปแต่ว่าทั้งที่ชีวิตก็ยังมีความไม่แน่นอนนะแต่เธอก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนโชคดีที่สุดคนหนึ่งนในโลกเนี่ยโชคดีเพราะว่ายัางสามารถใช้ชีวิตไปข้างหน้าได้ยังมีอนาคตยังสามารถมีลูกได้นะเธอก็พยายามมองนว่าเนี่ย ทั้งที่เสียขาไปสองข้างแล้วก็ทั้งที่หัวใจก็ยังไม่รู้ว่าจะจะใช้ได้นานเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะผ่าได้สำเร็จนะก็ไม่รู้จะใช้ได้นานเท่าไหร่อาจจะไม่เกินยี่สิบปีแต่ว่าเธอก็ไม่มองนะว่าอะไรที่สูญเสียไปแต่มองว่าอะไรที่ฉันยังมีอยู่และอะไรที่ฉัน ยังสามารถจะมีได้ถ้ามีคนยนไม่น้อยนะครับที่หากว่าเจอความเจ็บป่วยแบบนี้เนี่ยหรือเจอความพร่องของร่างกายเนี่ยโอ้ยหมดเรี่ยวหมดเรียวหมดแรงเลยนะหรือถึงไม่หมดเรี่ยวหมดแรงก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลนะี่ฉันจะอยู่รอดไหมเนี่ย แล้วฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีขาสองข้างเหมือนเดิมมันจะวิตกกังวลสารพัดแค่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี่นก็ทําให้หลายคนเนี่ยนะเกิดความรู้สึกที่ท้อแท้หมดหวังแล้วก็มองลบมองร้ายเกิดความไม่ใช่แค่เครียดวิตกกัวงวลอย่างเดียวมันยิ่เกิดความคับแค้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแต่ว่าพี่หญิงคนนี้นะ เพื่อนๆรวมทั้งครอบครัวรวมทั้งหมอนี่ทึ่งมากนะที่เธอมีกำลังใจนะมีความหวังแล้วก็มองบวกอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นที่เจออะไรต่ออะไรที่แย่ๆะ ย, ยอยเข้ามาทีละอย่างสองอย่างร่างกายเนี่ยของเธอนี่มันอ่อนแอนะ แต่ว่าพอใจสู้เนี่ยพอใจเนี่ยไม่ปล่อยให้ความทุกข์มันครอบงำมันก็เลยช่วยชดกายนีย่ที่ยำยายให้ค่อยดีขึ้นทำให้ตอบสนองต่อการรักษาของหมอได้ทั้งที่หัวใจจุดเต้นไปแล้วสามครั้งโคมา่าตจางหากแล้วก็เจอโรคันโรคสารพัด ตอนที่เธอขาดอาหารนี่นะก็ชักหลายครั้งนะขาดอาหารหนักมากนะเพราะอย่างที่ว่าร่างกายมันไม่ไม่ตอบสนองต่อสารอาหารเนี่ยทั้งชักทั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรงณสุดท้ายก็โคมา่าแต่ว่าก็ไม่สิ้นหวังคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอเจอความทุกข์แบบนี้มากๆเข้าเนี่ยทีแรกก็จะมีความหวังอาจจะมีกําลังใจนะแต่พอเจอซ้ําแล้วซ้ำแล้าซ้ําแล้วซ้ำแล้ว มันท้อเลยนะพรแค่ทุกขเวทนาจากการรักษานี้จากการจากโรคนี้มันก็พอแรงอยู่แล้วนะต้องมาเจอทุกขเวทนาจากการรักษาแต่ว่าเธอก็มีความหวังก็เลยเป็นกรณีที่น่ า, น, าน่าประทับใจมากแต่มันเชื่อเห็นเลยนะว่าอาการมองบวกเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าความทุกข์พันธาอุปสรรคต่างต่างไปได้แม้ว่าจะเจอโรคร้ายอย่างที่เคยเล่านะเด็กอายุ ป, ประมาณสัก12หรือ14นี่นเป็นมะเร็งที่สมองจิตอาสาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่เด็กคนนี้เนี่ยก็กลับดูยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปาศัย นะชวนจิตอาสาวาดรูปจิตอาสาวก็ยังอดสงสัยไม่ได้เลยนะเธอป่วยขนาดนี้ยังมีอารมณ์วาดรูปเลยนะแถมชวนจิตอาสาวาดรูปด้วยคุยไปคุนมาเธอบอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่เป็นแค่มเร็งสมองเนะี่ยมีญาติคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งมดรูปทุกทรมานมากเลยนะหนูโชคดีที่เป็นแค่มเริงสมอง โอ้เนี่ยขนาดเป็นมะเร็งสมองนี่บอกว่าเ ป, เป็นขนาดนี้ก็ยังบอกว่าเป็นแค่มะเร็งสมองใหการมองบวกนี่มันช่วยได้เยอะเลยนะในการที่ให้คนช่วยคนรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้แต่นอกจากมองบวกแล้วนะการมองอย่างหนึ่งที่สําคัญนะหรือการทําใจอย่างที่สําคัญคือการทําใจให้ตรงหรือมองเห็นให้ตรง ตรงนี้คืออะไรคือตรงตามความเป็นจริงหรือทำใจถูกต้องการมองเห็นตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรานะหรือว่าหมองให้เข้าใจถึงอนัตตาเพียงแค่มองให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะสามารถจะควบคุมไปได้ทุกอย่าง เราก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ชีวิตของเรานี่มันจะราบรื่นมองในความเป็นจริงว่าชีวิตเราเนี่ยยากที่ทำให้อุปสรรคทั้งหลายมันหมดสิ้นไปได้หรือมองว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์มันหมดไปจากชีวิตของเราได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะคือการที่รักษาใจไม่ให้ทุกข์รอบตัวมันจะลาบากยังไงแต่เรารักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ เหมือนกับเราห้ามฝนไม่ให้ตกนี่ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองไม่ให้เปียกได้นะด้วยกันกลางร่มนะฝนเยอะตัวยังไงนะแต่เรามีร่มกลางฝนก็ไม่สามารถทำให้กายเราเปียกได้หรือเหมือนกับมีพระราชาองค์งเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเวลาเดินไปไหนเนี่ยนะมันมีหินมันมีกัวดมีทราย เดินก็เจ็บก็ปวดเพราะว่าเดินเท้าเปล่ามันทำไงเนี่ยถึงจะเดินให้สะดกสบายทีแรวก็คิดว่าเนี่ยมาต้องปูแผ่นหนังไปทุกคนทุกแห่งที่เดินที่ย่างเท้าไปแต่ลองคิดดูหน้าท้าว่าเราจะปูแผ่นหนังเนี่ยไปยังทุกคนทุกแห่งที่เราเดินเนี่ยงูมันคงยากลำบากปุรหิตก็เสนอว่าเนี่ย มันจะไม่ดีกว่านี้เหลือนะว่าเอาหนังเนี่ยมาหุ้มรองเท้าเอาหนังมาหุ้มเท้าแทนเอาหนังมาหุ้มเท้าเนี่ยนะไปไหนเดินไปไหนมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดจะมีหินนะจะมีกรวดยังไงเนี่ยเดินไปก็ไม่ถูกหินถูกกรวดทิ่มแทงเพราะว่าอะไรเพราะว่า ม, มีหนังเนี่ยมาหุ้มเท้าไว้แทนที่จะ เอาพื้นหนังเนี่ยแผ่ไปยังทุกคนทุกแห่งแค่เราเอาแผ่นหนังเนี่ยมาหุ้มเท้าไว้เราก็เดินไปที่ไหนที่ไหนได้สะดวกเชื้อโรคเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำจัดให้หมดไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้เพื่อที่เราจะได้ไม่เจ็บไม่ปวยก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราพอภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามันแข็งแข็งนะเชั่วโรคมันจะ จะมีมากเพียงใดเนี่ยมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยไม่ได้ในทางเดียวกันเนี่ยในโลกนี้หรือรอบตัวเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามากมายให้การที่เราจะกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจให้หมดไปจากชีวิตของเราหรือให้พ้นหูพ้นตาเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากคนที่พูดไม่ถูกใจคนที่ทำอะไรไม่ถูกใจ หรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามันมีเยอะแยะไปหมดเราจะกำจัดมันให้หมดไปเนี่ยไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือปรับเปลี่ยนที่ใจหรือดูแลใจของเราเราปรับเปลี่ยนคนกำจัดสิ่งอื่นให้ออกไปจากชีวิงเราไม่ได้หมดทุกอย่างแต่สิ่งที่เราทำได้คือทำใจของเราให้ถูกต้องเจออะไรไม่ถูกใจก็แล้วแต่ แต่ถ้าเรารักษาใจให้ถูกต้องมันก็ไม่ถูกนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักรักษาใจให้ถูกต้องเนี่ยมันจะถูกสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันมากระทำย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะ ก, กาจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันยากให้หมดไปนี่มันยากนะแต่ว่าเรารักษาใจให้ถูกต้องได้ หลวงพ่าชาติเมื่้เคยพูดว่านี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็ถูกต้องของมันอยู่แล้วแต่ที่เราทูกเพราะเราวางใจผิดนะมพอเราวางใจถูกต้องเนี่ยนะเจอความไม่ถูกใจอะไรเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ใจเราทุกข์รักษาใจให้ถูกต้องคือว่ารักษาใจเป็นปกตินะอะไรจะเกิดขึ้นก็ ไม่ปล่อยให้มันมาคุกคามจิตใจมีความโกรธเกิดขึ้นมีความเกลียดเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้มันครอบงําใจใจก็ไม่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราลักแต่ถ้าเรามีสตินะไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมาครอบงําใจใจก็กลับคืนสู่ความถูกต้องได้เราจะว่าไปแล้วเนี่ยจะให้คนอื่นทําอะไรที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะนอกจาก การกระทำคำพูดที่ไม่ถูกใจแล้วเนี่ยจะคาดหวังให้ทุกคนทำสิ่งถูกต้องไปเสียหมดมันก็ยากสิ่งที่เราทำได้คือทำใจอะไรถูกต้องมันมีโค้ดคนหนึ่งนะเราเคยรู้จักโค้ดออเนี่ยเป็นโค้ดทีมวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยเวลาซ้อมเนี่ยนะระหว่างทีมเอกับทีม B เนี่ย บางครั้งเนี่ยโคดออนี่ก็เป็นบ่อยครั้งที่โคดออเป็นเป็นกรรมการแกก็จะแกล้งตัดสินให้มันผิดนะลูกออกก็บอกว่าลูกถูกดีถูกต้องแนละ้วโอเคแล้วบางทีลูกดีก็บอกว่าลูกออกนะักกีฬาก็ไม่พอใจนะไม่พอใจว่าทำไมเนี่ยกรรมการตัดสินอย่างนี้ว่ า, วาลูกดี กลายเป็นลูกออกในเวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตบลูกออกก็บอกว่าลูกดีโมโหกรรมการถาว่ากรรมการนี่ไม่แฟร์โอ้เราก็บอกว่าเนี่ยแกตั้งใจนะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยในเวลาเล่นจริงๆเนี่ยนะมันจะหวังความถูกต้องจากกรรมการไปทุกครั้งนี่มันไม่ได้ าการตัดสินของกรรมการบางทีก็ผิดพลาดบางทีก็ไม่แฟร์แต่นี่คือความจริงในเกณฑกีฬาที่ทุกคนต้องยอมรับและเข้าใจและทําใจได้เพราะถ้าทําใจไม่ได้จะงุดหงิดพองุนหงิดหัวเสียแล้วก็เลยเล่นผิดเล่นพลาดเก่งแค่ไหนถ้าหัวเสียก็เล่นผิดเล่นพลาดได้แพ้ในที่สุดแล้วหัวเสียเพราะอะไรเพราะยอมรับไม่ได้ที่กรรมการตัดสินผิด นะกรรมการตัดสินไม่ถูกต้องพอไปคาดหวังความถูกต้องจากกรรมการจากเกมกีฬาอันนี้แหละคื อ, อความพลั้งพลาดของนักกีฬาเพราะในเกมกีฬาเนี่ยมันจะหวังความถูกต้องไปเสียหมดก็ไม่ได้และมันไม่ใช่เกมกีฬาอย่างเดียวนะในชีวิตจริงก็เหมือนกันนะแม้ว่าความถูกต้องเป็นสิ่งดีนะแต่ว่า ไอการกระทำที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดขึ้น อ, อยู่เรื่อยๆเราไม่สามารถจะบังคับหรือบงการให้ทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้องได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือรักษาใจของเราให้ถูกต้องอคือเป็นปกตินะไม่ขึ้นไม่ลงหรือว่าไม่บวนไวไปตามสิ่งที่มากระทบ ถ้าเรารักษาใจให้เป็นปกตินะหรือมีความถูกต้องนี้มันก็ทำให้เราไม่ทุกข์ได้แม้เจออะไรไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องของเขาแต่ใจเราถูกต้องแม้เจอคนทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทุกข์เพราะยังไงเราก็รักษาใจใถูกต้องอยู่แล้ว น, นี่คือการทำความนี่ยให้ตรงหรือทาใจให้ตรงนะซึ่งก็เป็นเป็นธรรมะข้อหนึ่งนะ ในบุญกิริยาวัตถุสิบประการเนี่ยมันจะมีข้อสุดท้ายว่าทิฏฐุชูกรรมคือความเห็นตรงเห็นตรงคือตรงตามงความเป็นจริงหรือว่ารวมไปถึงการรู้จักวางใจมันถูกต้องเดียร์เ่งอันนี้มันก็จะไปเสริมกับการมองบวกนะมองบวกแล้วต้องเห็นตรงหรือการวางใจถูกให้ถูกต้องเดียรจะมองบวกอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอนะมันก็ต้องรู้จักวางใจให้ตรง ให้ถูกต้องหรือว่ามีความเห็นตรงด้วยจะเห็นตรงแล้วเนี่ยแต่ใจมันไม่ตรงไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้นะมันต้องไปด้วยกันเห็นตรงแล้วนี้ต้องวางใจให้ให้ถูกต้องด้วยมันก็จะช่วยทำให้ไม่ว่ามีความทุกข์อย่างไรเกิดขึ้นกับร่างกายนะกับทรัพย์สมบัติของเรานะหรือกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วย มันก็ไม่สามารถทําให้เราทุกได้เพราะอย่างที่บอกนะเราห้ามร่างกายไม่ให้ป่วยก็ยากเราห้ามไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเลยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยก็ยากแล้วก็จะกําจัดมันให้หมดไปจากชีวิตหรือให้พ้นหนูพ้นตาเราไปเสียทุกอย่างก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือรักษาใจของเรา